เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายเขาแล้วก็เอาความหมายนั้นละ่ะมายุ่งกวนตัวเองเนี่ยจึงเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่เป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังไปเลยห็นไม่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาทีง่ายทีง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่ได้อีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่ปริมาตรธนาเข้าในหัวใจอีกนั่นผู้เป็นศาสด า, าที่จะนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายใน จ, ใจิตใจยิ่งต้องเป็นผู้เฉียดเฉลาด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 ถึงการเสียสะละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเตรียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสะละถ้าจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายีก็ยังต้องเสียสะละใครมาต้องการอะไรให้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทํากันได้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 เมืออย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มถุนวิธีไหนวิธี ใ, ธใไดได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบคนมุบายของเขาคนฉลาดต้มตุนคนโ ง, นงน่จึงต้มง่ายการพัฒนสอนคนโงน่สอนได้ง่ายคนฉลาดมีมุบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรเทียบกับกิเลส ท, ที่มีความแหลมคมมีความเฉียเฉลียวฉลาดกว่าเรา คิดในแย่แย่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากบั่นั้นำธรรมะเขาไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยจะกลายมาเป็นเราจยทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็ดล้วนแร่ตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสไปเสียสิ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเราเนี่การที่จะทราบว่าสิ่งตรงนี้เป็นข้าสึก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 แม้ท่านนำอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสซึ่งเคยเสี่อมสอนนมานาเธอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบอยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเนี่ยถ้าเผลอจากธรรมกิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จดจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คืออยู่ในจิตดวงเดียวกันเพราะฝ่ายหนึ่งเผลอฝ่ายหนึ่งก็ช่วยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการค้ครคนความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทําตามความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสของที่เดดที่เข้าแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว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 กิเลสอนเราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทำแทรกเข้าไม่ได้โน่น ون, ตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายทําฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะกัน ก็ไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราแค่ถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลส ก, ก็เป็นเครื่องย่ายีอีกด้านอาที่นี้แยกจริงชัยนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมากคนนั้นก็จะคว้าเอาชัยนะมาได้นําใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง หากใครหลงกลมุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่นพอในการจมไปด้วยอํนนานาจของกิเลสนั้นหลักผู้มุ่งต่อผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความลํายากความลําบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เรืเกิดเรื่องตายในเยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตามันอยู่กับตัวความทุกข์ความลํำบากถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลํำบากลาบนเป็นทุกข์เป็นอยากอะไรกลัวไปอะไรเนี่ยเรื่งความกลัวลนั้นเป็นอุปสรรคจีดขวางทางนาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์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 ผิดพยายามค้นด้วยพระสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คือนาปานสติทรงกําหนดทรงหายใจเข้าออกและทรงยิทย้อนหลังถึงคราวที่พระแรกนาะขวานได้ทรงบําเพ็ญนาปาน า, าตินั้นนําการบาเพ็ญคราวยังทรงพรยเยานั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ลงทำภาวนาอยู่ใต้ล่มโพกนได้หลักนั่นเป็นที่ยึดอนานาปาสติละเอียดลงเพียงไหลจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความผ่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้นะในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าผ่องใสก็ผ่องใสพระกายก็อ่อนเพียรเต็มที่เพราะอดพระกยายหารมาทั้งสี่สิบเก้าวัน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 อวิชชาปัจญาสร้งางคาราสร้งางคาราปัจญาวิญญาณแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปัจญาสรงคารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอาาวิชชาหากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชชาปัจญาสร้างคาราเรียบอย่างจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยเอันนั้นท่านรู้แล้วท่านจึไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นท่านท่านเข้าใจเราจะอ่านทะทะาเท่าเท่าไรเลี้ยงทะทะยเท่าเท่ไรก็ตามเร่องวิชามากกี่ตู้กี่คำผีก็าตามเป็นเรื่องการส่งเสริมวิชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้เอือนวิชาวิชาเป็นปัจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเรื่อยเป็นมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนเน่ย เราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งอะนับวันย่างค่ามันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งแหละแล้วต้นไม้ตัวหนึ่งมีกี่กิ่งกี่แขนงและมีกี่กี่ใบกิ่งแรกกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่แล็กกี่น้อยกีแ่แขนงแล้วนับวันย่างค่ามันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสีย ว, วันหลังก็นับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เลื่อมได้ราวอะ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 เขามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ตัวนั้นจะทนได้อย่างไรมันก็นล้มและเนรนาศลงท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจํานวนมากน้อยเท่าไหรม่มันก็ยุบยอดละตายไปด้วยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อเนี่แที่ว่าอวิชาปัญญาสารา้างขาลาอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแกว์รากฝอยกิ่งก้านสาขามันก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสารา้สงางขาลาสร้างขาลาปัญญาวิญ ญ, ญาณปาัญญ เลื่อยไปไม่มีที่สุดนี่คือมีรากแก่รากฟอยมีต้นมีลำแล้วก็มีกิง่งมีกา้านมีดอกมีใบนคุณง่ายว่ า, างั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องห่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุ ก, ทกขแขนงมันก็ทรงตัวขงมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่าเนี่้พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสาขาดอกใบละตายหมดมีอวิชชา ว, ว, วัฏเบวเสสสวิดาขานโธาเลื่อย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 ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงลำไส้มีแต่ทางเดินของอวิชชาสังขาราปยาบิญญาหนังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของอวิชชาอาวิชชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ปรุงให้ขาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอาวิชชาเมื่อนคนเข้าไปถึงตัวอวิชชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ ม, มีปัญหาอะไรอวิชชาดับสังขารจะมีมาจากไหนสังขารนอกจากสังขา ร, ราล้วนๆดังสังขารปร า, ารหันไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารของ เราทั้งหลายที่มีวิชานี้ร้วนแย่ตั้งแต่สั้งขันเป็นกิเลสนะ่ยวิญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชชาพาให้เป็นมันจะไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาฮะตรงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอาวิชชาดังที่อเคยอธิบายมาแล้วหลักแจวหลักฝอยไปยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไรไปสําคัญมั่นหมายอะไรคลี่คลายดูทั้งสิ่ง น, นั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมั่นหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่ว ย้อนขามาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวรี่โดนกวนก ว, กวาดเป็นตัวประยุทธ์ไปถือเพราะความไม่เข้าใจลี้พาดูไม่เข้าใจทั้งข้างนอกเห็นเขาใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้นแก้อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆกรรมฐานตั้งแต่อนาปานัติไปเป็นต้นโดยดั่มดับนี่เป็นขั้นเรื่องเริ่มแรกที่จะระงับดับอวิชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจัองตนมากน้อยทั้งนั้น การปฏิบัติเราจะไปคาดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนี้ชำนาญในทางใดพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัดทําถูกต้องตามอ ร, ริยาศัยด้วยถูกต้องตามหลักทํามด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสื้อเอิมไปพุ่งเฟ้อเอิมไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กําเริกเสียสารต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผลแล้วเนี่ยวิชาสงบตัวอุบาสติปัญญาจะพิจารณาเพื่อคลี่คลายดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกรนาักายของเราเนี่ยปกติผกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลืนนวดเครื่องสัมผัสต่างๆ เมื่อมันมีกิ่งมีกา้านเมื่อมันมีรากแก้วรากฝอยมีตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนั่นแหละอันจึงให้พิจรารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้วความสงสัยเป็นมรรคได้ทางนั้นคือทางดําเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเช่นสันสวรให้ไปอยู่ปา่าช้าไปยังไงถึงให้ไปอยู่ป่าช้าไปเที่ยวปา่าช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพราะเรามาเห็นปา่าช้าภายในตัวของเราต้องไปให้ดูที่นั่นก่อน เห็นที่นั่นแล้วก็มาเทียบเทียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี้แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเขามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็นชัดเข้าใจชาติในป่าช้าภายในคือสร้างกายตัวเด็งที่เต็มไปรด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แลมันก็ปล่อยของมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยทั้นน่ะมันไม่รู้มันจึงยึดยังถือเราจะบังคับให้มันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจ ฉะนั้น จ, ง จ, งจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณิพิจนาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลํยานักลำหนักในการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้นเราจะไปคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอย่างไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่า น, านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจให้กําหนดพิจารณาดูปัจจุบนันธรรมคือความเป็นของจิตเราในขณะขณะ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 ความต้องการันแล้วจะเกิดความดือดร้อนขึ้นมาเรื่อการเป็นเรื่องสั่งสมกิเลส ข, ขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือทำกิเลสให้ระงับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพทุทธเจ้าซึ่งประกาศตลางวันอยู่ด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่อยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาท้าเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่ธรรมทั้งนั้น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 ให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปในทางในบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบายดไปทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากใจานี่แล้วเป็นผู้สั่งงานค่อยดูความเคลื่อนไหววันนี้มีความสศรหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายนะค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการของมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้มันแสดงไม่ได้ มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการาเศราหมองปัญญาเรามีมีธรร ม, มชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นเศราหมองน่ะความเศาหมองมันเป็นอันหนึง่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศาหมองนั้นได้นะให้ดูความเศาหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศาหมองความเศาหมองนี่มันกำลั ง, งนับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความเศาหมองมากขึ้น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 ให้ทราบม่านี่คือความป่องใสนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่สแสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชนะการรมัดระวังจิตใจของตนผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความป่องใสความมองสายกับความผาสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความป่องใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ให้เราทราบสาเหตุมันไว้ทั้งสองเงื่อนสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละ ดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพินาศเป็นสัจธรรมหากเราไม่พิจารศเป็นสัจธรรมอา้าวละชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดําเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยเรื่อยเราไม่ต้องตําหนิทางดียึดไปเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงจะถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยเพียงไรความป่องสายความ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 เช่นความศร้าหมองเป็นต้นความเศ่อาหม่องเป็นจริงที่เราไม่ต้องการแต่ทํำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอไม่รู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเสียใจกับมันมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานั่น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 ค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความค้าหมองนี้มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแป ล, ง, ป ล, ง, ปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะ น, นี้หรือขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรังถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเวลานี้ปัญญาแทรกลงไปกําหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้เปาหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทําไม่นานนั้นก็นสลายตัวลงไปนี่ พะนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งนึกความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะไร้ถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยที่นั้นอาการของจิตที่จะไป ส, ส่งเสริมให้ความเศรมองเกิดขึ้นมันก็มีทางให้รอดออกไปคิดไปสั่งสมขึ้นมาได้นั่นความเศร้าหมองนี่มันก็สลายตัวของมันลงไปนี่ความสศรมองก็ดีความปร่งใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความเศรหมองนั่นเป็นเป็นอาการที่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 ปรารถนาเมื่อไม่สมหวังนี่มันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุขให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกข์อันความปรารถนานั้นนี่มันต้องให้พิจรารณาแก้จิตแก้อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของกิจมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกคอยสังเกต ด, ดูอยู่เสมอปัญญาก็ ท่นเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริงซึ่งแต่ละอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชั่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องเสริมจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขีบังคับหรือไปทําลายจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกแล้วจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลําดับลำดับ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 สัญญาความจำกว่าจําไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะจําอยู่ตลอดเวลาจําได้หายไปจําได้หายไปเอาสาระแกนสารมันได้ข า, ดนานนิญาณนั้นลักษณะอาการของมันมีความเกิดความดับอยูอย่างนั้นเราจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลับปัญญาจิตใจของเราก็มีความโปอ่งใสเพราะใจไม่ใช่ขันนี่ ใ้เป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดก็ตอนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนั่นเองเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจากใจนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเต็มปากสำหรับผู้รอ้แล้วกันเราไป อ๋อว่ออังไม่ไดเือด้วยวันนี้หากว่าเน้ำมั